สองพันสี่รอยหกสิบเ็เป็นต้นมาก็เป็นวายเป็นมายาวิยากรของท่านนับแต่นั้นมาใช่ไหมครัตอนท่านวัดฝั่งนา้าเป็นยังไงม้างในสภาพเดิมๆนะมีพระสักกี่รูปเมื่อลุงพ่มาอยู่ใหม่ๆเมื่อมาอยู่ใหม่หมมๆมีพระไม่กี่รูปเราเสามสิบรูปสามสิบรูปนะฮ ะ, ะ, ะเป็นพระเดิมหรือว่าพระมาอยู่กันใหม่ๆพระเดิมบ้างพระมาใหม่ครับอ๋อ เกตแปดองนะ่ะว้าวแล้วนะที่พระมาใหม่นะ่ะมาบวชโดยศรัทธาในหลวงพ่อหรือว่ามาจากหลวงพ่อมาจากจากต่จางจังหวัดมาจากทางบ้านอันบักแล้วความเป็นอยู่ในสมัยนั้นน่ะมีความเป็นอยู่กั็นยังไงสําหรับพระต้องไปบินทบทต้องไปบินทบครนะับอ่าต้องไปบินทบทอย่างนี้อยู่สักกี่ปีในระยะนั้น อยู่รอๆแค่แสองปีแค่สองปีนะะนับตั้งแต่หลวงพ่อมาเริ่มอยู่นะฮ ะ, ฮะงั้นพอคุณหน้ามาเป็นมายาวิทยกรได้สักปีเสร็จก็ไม่ต้องมีน้ำบาสนะฮ ะ, ฮะทีนี้เหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่คุณหน้ามาอยู่หรือว่าหลวงพ่อมาอยู่นะะั<ะ>่นคุณหน้าอลองเล่าเท่านีจําได้ดะะิมีเหตุการณ์อะไรบ้างในทางใดในด้านดีด้านร้ายถ้าที่คุณหน้าได้ประสบมา เป็นตอนว่าอเมื่อลุงพ่อท่านมาอยู่เนะี่ยท่านได้เริ่มสอนวิปัสนาเลยหรือเปล่าครับสอนครับเริ่มสอนวิปัสนาเลยนะครับมีคนมาเรียนกันทุกวันหรือเปล่าหรือว่าทุกทุกวันพฤหัสเฉพาะทุกวันพฤหัสอ๋อแล้วในวันปกตินะฮะวันปกติท่านสอนพระอ๋อสอนพระแต่สอนเป็นประจำนะฮะครับได้ผลไหมฮะก็ได้ นั้นท่านพักอยู่ที่ไหนที่กุฏิเก่านะ อ, อ, อยู่ที่กุฏิเก่าหลังนี้นะฮะอ๋อแล้วก็เริ่มทำวิชาหรื อ, อยังครับเริ่มวิชาวิชาเดเด็ยังตอนนั้นยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำวิชานะฮ ะ, ะามาเริ่มทำวิชาเอาเมื่อไหร่ครับหลังจากท่านมาอยู่ได้สักกี่ปี มพทอะไรผมจําไม่ได้นั่นเนี่ยประมาณสักกี่ปีหลังจากท่านมาอยู่ก่อนก่อนเขาปฏิวัติก่อนปฏิวัตินะฮะก่อนปฏิวัติปฏิวัติปีพศ .2475 นะฮะก่อนปฏิวัติสักกี่ปีครับก่อนเราสักปีเลยก่อนสักปีนะฮะอ๋อก่อนปฏิวัติหนึ่งปีก็เรา2474ทีนี้ที่ท่าน มีนบริยังไงจึงได้เริ่มทําวิชาขึ้นคามความํบริแรกเริ่มที่ท่านท่านทำวิชาขึ้นตอนนั้นน่ะมีพระอยู่ด้วยกันกี่องค์ที่ได้สำเร็จวิ ป, ปัสสนาและมีอุบาสิกาหรือเปล่าหนึ่งในอ ย, งอย่างนั้นมีมีพระสององค์ตอนนั้นอ๋อชื่ออะไรพอจะจาได้ไหมฮะก็หลวงปัญจโยโอ้โอ ก็โชมีคู่อ๋อครับแล้วอุบาสิกามีไหมฮะในเรื่องแบบแรกเอิ่มมีอ่ามีสักกี่คนครเมื่อตอนเริ่มเลยก็มีมีมีสองคนอ๋ออ่าชื่ออะไรบ้างจำได้ไหมฮะนนชื่อบุญ น, นาคคนอ๋อชื่อบุญนาคคนน ะ, ะครับแล้วก็ชื่อชื่อผุนคนนนะะึงอ๋อ แรกเริ่มก็มีพระสองลูกนะฮะหลวงตาใจหลวงตาโชมนะฮะแล้วก็อุบาสิกาสองคืออุบาสิกาตนะุกกะอุบาสิกาหนาดนะฮะแล้วต่อจากนั้นมานะฮะเป็นยังไงฮะจากนั้นมาพอมีมากขึ้นเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยนะเพิ่มเรื่ยแรกแรกที่ทำวิชานะ่ะท่านเริ่มทําที่ไหนครับเริ่มทําที่นในเนคขับในคณะเนคขับนะฮะ ในขณะนี่คำเดิมนั่นแหะเป็นที่เก็บศพใช่ัหมฮะเก็บเป็นป่าชาเก็บศพนะฮะก<ะ>ุดังเก็บศพมี ม, มีมีป่าชาด้วยหรือเปล่าไม่มีมีแต่เป็นกุดังเก็บศพนะฮะเป็นที่เก็บศพท่านก็เลยรื้อฟืน้นไอ้กุดังเก็บศพอันนี้แล้วก็ศพก็ยังเก็บอยู่แต่ว่าสถานที่อ่โรงตั้งศพลงทึมอะไรต่างๆในที่นั่นก็เลยทําเป็นที่พักทำวิปัสนาใช่ไหมลงทึมไม่มีหมองลงทึมมอยู่ข้างนอกนะ นะก็มีสลาใช่ไหมสลาสวดศพสลาไม่มีแต่มีจะเป็นสลาเนั่นทุนนายสมบุญสถาหนานวดสร้างมาสร้างทีหลังะสร้างับอ๋อครับผมมาทันในตอนสลานะี่ยสร้างแล้วแล้วก็ข้างหลังๆก็ยังเก็บศพันอยู่ก็คงทำวิชาทันที่นั่นใช่ไหมทำที่นั่นอ๋อครับแล้วก็ท่านดําริยังไงฮะ ท, ที่ที่จะเริ่มทําวิชาเนี่ยท่านมีดําริ ครั้งที่แรกท่านก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นอะไรเป็นใครคือท่านทำภาวนาไปทำภาวนาไปแบบนี้แท่านก็มารู้ตัวของท่าน เ, นเองว่าท่านเนี่ยอนนี้เป็นผู้่งมาปราบมารปราบมารท่านก็ก็เริ่มวิชาที่ทำครับครั้งแรกท่านก็ไม่รู้ตัวว่าคือใครอก็เลยลอมือทําเรื่อยก็ ว่าท่า น, น, นถึงต้นธาตุต้นธรรมที่ถูกส่งมาเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงขาดุธรรมที่เสื่อมโทรมไปให้เขาอยู่ในสภาพเดิมใช่ไหมและทัานเลยเล่าเรื่องนี้ให้ใครแต่ใครฟังบนะ้างหรือทราบกันเฉพาะในวงในก็ทํานเลอเคยเล่าให้ใครฟังทราบเฉพาะคนวงในด้วยกันนะฮะและ้วก็ที่แรกแรกเริ่มทํานะ่ะมีผลยังไงฮะ ที่เป็นปรากขั้นการเป็นต้นว่ า, าท่านได้ตรวจดูพบสมบัติจกักรพรรดิอยู่ในที่ใดแล้วก็แต่พยายามจะเอาขึ้นมาเพื่อใช้ปรับปรุงาาทาบทามนี้แต่ทว่าฝ่ายดาเขาได้ขีดกันอะไรสั่งนานมาพอจะจาได้ไหยครับท่านเคยเล่าฟังอะไรสมบัติมีมากมายแ้่เอามาใช่ไม่ได้ไ<อ>ผมจําได้ว่าท่านเล่าอ่ะ สมบัติจักรพรรดนี้ก็อยู่ที่ศูนย์จากรพรรนะซึ่งต้นท่าได้ส่งมาไว้นะเป็นสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเป็นพวกเครื่องเพชรนินจินดาที่มีค่าในการประดับประดาซึ่งพอที่จะเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเข้าของสนับเลี้ยงผู้ที่จะมาทำวิชาได้อย่างมากมายนะ อย่างเดียวเฉพาะในวัดปากน้ำนี่เรียกคนหมดจัมพุทวีปเลยอ๋อครับครับครับวันนี้ผมได้ยินท่านเล่าเหมือนกันนะเฉพาะทองคาก็ขนาดนั้นแล้วทีนี้ไอ้พวกเครื่องแก้พยาธิสิทธิ์นะแก้พระธิิทธิแก้จะก็พักนะฮะแล้วก็พวกเพชรนินจินดาตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะก็อันกนานกันแหละนะเหลือใช้เหลือใช้เหลือกินแต่พอท่านจะทำมิชาให้อสิ่งของเหล่านี้ ขึ้นมาถึงมือมนุษย์แล้วก็มีอันเป็นไปนะับทีนี้ไอ้มีอันเป็นไปตอนนั้นนะ่ะคุณน้าได้ประสบการณ์ด้วยตนเองหรือเปล่าในขณะที่ท่านทมวิชาแล้วก็เพื่อจะเอาสมบัตินี้ขึ้นมาใช้ท่านบอกว่าหนีไปดินนูนไปเลยช่ไงนั่นเอาขึ้นไม่ได้ครับที่ทําำในคณะคณะอะไรคณะไรครับ แลทธร้าทวิธีแล้วว่าพุหลุ่มลงไปลึกหนาลึกลงไปแล้วถ้าลสองสองแล้วเอาผ้าขาวบุกหมดรอบข้างล่างบุกข้างบนแล้วก็มีถข้ไปใส่กันขัดทั้งเลื่อนจะจะเรียกเขาแก้วไปยาสิตขึ้นมาก็นี่นั่งเขาทีทำมสมาธิแบเนี้ครั ชื่อวุฒินามากระชับร่วงตายเนา ะ, ะเขาตรงมือมาให้ใหทําลายพิธีแม่หลวงพ่อเองก็เคยโดนใช่ไหมหลวงพ่อ่าถูกหลังหนหลังหนท่านเลยต้องหาเรือเร็วไว้เป็นประจำเพราะว่าที่นี่การคมนาคมตอนสมัยนั้นนะรถยน์ไม่ถึงต้องเดินตามท่องร่องสวนกว่าจะไปถึงตลาดพลูไว้เรืแย่งไว้ถึงตลาดพลูจะมีรถทีนี้ท่านก็เลยหาเรือเร็วไว้เพื่อแก้ แก้ไขเหตุอันนี้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางฝ่ายดําเขาตันแก่งโดยการส่งงูพิษร้ายเป็นต้นแบบพวกงูเหา่าแมวเส้ามาขบกัดพว ก, ก ท, ที่กำลังทําพิธีกันเนี่ยท่านก็ส่งเรือเร็วไปสถานเซาภาได้ทันตรง ท, งทีทุกครั้งโดยทางพ่าทํามฝ่ายขาวท่านก็แก้ไขให้เป็นไปได้ทันตรง ท, งทีก็ไม่มีใครได้รับอันตรายอย่างถึงชีวิตเป็นเพียงเจ็บปวดป่วยไปคนละหลายหลายวัน แม้กระทั่งตัวท่านเองก็โดนไปสองครั้งเหมือนกันนะฮะและนอกจากถู ง, งูกัดแล้วมีอะไรอีกไหมฮะในประสบการณ์ท่าทีีคุณน้าได้ประสบมาได้เห็นมาได้ทราบมาแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะฮนะนะนอกจากตัว ง, งูมากัด ก, ก็มีจะสงคนทางแถบข้างเคียงมาตันแกลง้งนะฮะมายิงบ้างมาคู่บ้างต่างๆนานาังแกผู้ที่มาทำ บ, บุญทำทานบ้างอันนี้เท่านั้นใช่ไหมฮะ ไอ้ที่ท่งคนข้านเทียงมาลังแกลังควาหรือมายิงพ่อเนี่ยอ่ะเท่าที่คุณนาจําได้เป็ น, ป น, น, ย, น, นยังไงลองลองลองเล่าไป้ฟังหน่อตอนที่เขายิงเนผมไม่ได้อยู่ที่นี่นนนอ่าคุณนาไปไหนใน่ทราบครับออไปอยูุ่ติบาลอ๋อไปบ้านน ะ, อะตอนนั้นเป็นวัยยาวัยก่อนหรือย่างเป็นแล้อ๋อไปธุระที่บ้านนะฮะอ๋ะอแล้วแล้วเรื่องมันยังไงกันครับมันยังไงตอนนี้ผมจําไม่ได้อ๋อ อย่างนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอันผ่านไป น, นี้ประสบการณ์อื่นๆ น, น, นะฮะประสบการณ์อื่ น, น ม, มีมีอะไรบ้างที่เป็นอันว่าการขุดเอาอสมบัติจักรพรรดิที่ได้ตรวจพบนั่นเอาขึ้นไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้ฮนะแม้แต่น้อยเลยไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเขายังไม่หายคือชาเรายังละเอียดด้วยทางเขาอ๋อเขายังมีอำนาจในการบก ลองท่าทำอย่างเต็มภาคภูมิของเราไม่สามารถแก้ไขท่าทำได้รังแค่ตรงถึงแม้รู้จะเห็นก็ไม่สามารถจะนำมาใช้ได้ทั้ทั้งแต่และนอกนอกจากนั้นแหละฮะมี ม, มีมีอะไรอีกไหมฮะที่เป็นปราจการอันนี้เป็นต้นว่า ถ้าคุดไม่ได้แล้วก็รบรรทว่ามีใครนำพวกแกวพยศิสิทธิ์กาดีแกวจะก็พักก็ดีมาให้หลวงพ่อกอมืออย่างนี้ฮะมีไหมฮะในระยะนั้นหรือเป็นระยะหลังตอนตอนหลังก็มีมีระยะหลังนะฮะระยะอะไรแบบนี้นะฮะอ๋อะระยะนั้นมีมีปรากฏการณ์รที่สำคัญสำัที่คุณน้าพอจะจำได้บลางในการทำวิชากรีในการสั่งสอนอวิปัสสนากรีหรือว่า ในการฟื้นฟูภาตทธรรมพอดีพอจะจำอะไรได้บรับนะไม่มีอะไรนะครับ เ, เป็นปกตินะฮะแล้วก็ต่อมาหลังจากการปฏิวัติแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับในในทางธรรมวิชาเนี่ยมีการก้าวหน้าไปอย่างไรหรือว่าหลวงพ่อส่งเคยบารมีว่าอะไรเป็นเหตุให้ปฏิวัติ อ่าอันนี้พอจะจำได้นหฮะเหตุผลว่ามันเกี่ยวจากเรื่องที่ทำทางวิชาดินั่นสิครับมันเกี่ยวกันไหมะทั้งภาพดำเขาจะไม่ให้ทำวิิชาเ<อ>พราะว่าให้เกิดสงครามหรือเกิดอะไรขึ้น อ, อ, อเพื่อเป็นการทำลายฟันหรือว่ากลั่นแกล้งมาให้ได้รับความสะดวกในการทำวิชาเคือแก้ไขท่าธรรมอันนี้ใช่ไหมฮะ อ, อ๋อที่การกระทําของเขาเน่ยอ่าได้มีการปรามาส หรือว่ามีการตัดเตือ่อหลวงพ่อไว้ยังไงบ้างเขจะจําได้ไหมผมจําได้ว่าเข า, เขาว่กว่าเขาให้เลิกนะก็จะให้พระเจ้าเป็เัญจจรมามรุมวัดเองครับคบผมจําได้หลวงพ่อสิงห์เคยเล่าอย่างนะี้นะว่าให้เลิกคำวิชาเนียให้เอาแต่ทังสอน ไปเท่าที่ควรแล้วก็เขาจะให้สมากษัตริย์ที่มีความเจริญในเมืองนี้เมืองอื่นๆมาทํานุ่มบำรุงศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวหลวงพ่อน ะ, ะ<ร>แต่ว่าหลวงพ่อท่านใดไปทูลถามตนๆแล้วไม่เห็นด้วยใช่ั้ยฮะ<ร>ก็เลยเป็นอันว่าต้องทำวิชาสู้เพื่อแก้ไข ท, ท่าทาต่อไปน ะ, ะเขาก็เลย การแจ้งโดยการให้มีความปั่นป่วนในด้านการปกครองทางการเมืองต ล, ตลอดจกนกระทั่งเกิดสองครามนานาชาติในในโลกนี้ขึ้นเพื่อ ไม่ให้ธาตุสั่งธาทรงที่กระจัดกระจายสามารถมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นกล้อนได้ดังความประสงค์ของพร ะ, ท, ะ, ท, ะท้นทาตนธรรมใช่ไหมฮะ mm hmm. แล้วจากนั้นคุณหน้าพอจะจําอะไรได้บ้างตอนสงครามโลกครั้งที่สองจะเกิดขึ้นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้านะฮะมันก็ไม่มีอะไระะ ไ, มไม่มีอะไรน ะ, ะจําอะไรไม่ได้น ะ, ะ mm hmm. แล้วก็จกาางกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้น ทางภาคดำเขาก็พยายามที่จะส่งกำลังมาทำลายทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อส่งว่าส่งให้ผู้คนมาแอ่อัดยัดเยียดทิวัศไม่ให้ได้รับการสะดวกต่างๆนาะนาะแต่ในที่สุดทางฝ่ายขาวแก้ไปก็กลายมาเป็นประโยชน์กับฝ่ายาเราเสียแล้วก็ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดในที่ศูนยจักรพรรดิแต่ว่าทาง ต้นธาตุต้นธรรมก็ได้แก้ไขให้ไปตกที่อื่นที่ใกล้เคียงไปเป็นโน้นที่วังพระแก้ก็ดีที่วัาชิจัน์วัดหมูก็ดีเหลานี้เป็นต้นนะฮะ <c oughs> และต่อมาเป็นยังไงครับ <c oughs> เป็นต้นว่าหลังจากที่ท่านก็พยายามแก้ไขธาตุธรรมอาเรื่อยมานะฮะก็อันนี้เอาไว้ ให้คุณน้ามีเวลาไปไปนึกแล้วเราก็มาคุยกันอีกทีนะฮะเพราะอันนี้มันเรื่องยาวเหมือนกันผมผ <C> e <at> มคิดว่าเรื่องยาเหมือนกันแต่ไอ้เจ้าฐานกันจุบเราบุกไม่ทันนึกนี่มันนึกไม่ทันนะมันนานแล้ ว, วกันเลยครับถ้างั้น <C> e <at> ว่าวันวันนี้ก็เราก็คุยกันแค่นี้แล้วกันนะฮะ